จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจัจมาวัด เพร่อมาเสริมมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมและด้วยการสักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่มีพระคุณเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นที่พึ่งของใจในยามทุกข์เป็นสิ่งที่จะดับทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้การที่เรากราบไหว้หรือทำความเคารพบูชา ต่อพระรัตนตรยัยทุกครั้งที่เรามาวัดหรือที่เรามีพระพุทธรูปเห็นพระพุทธรูปนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยเหตุประการใดเพราะการได้ล่ลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในขณะที่เรากราบไหว้นั้นจะทำให้เรา เห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่เราจะมองข้ามไปถ้าเราไม่ไล่ลำลึกอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้เป็นพระองค์แรก แล้วต่อมาก็จะมีพระสงฆ์สาวกที่เป็นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระรัตนตรยัยให้เรากลาไวไหวบูชาให้ได้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจ การเวลาที่เรากราบพระทุกครั้งจึงไม่ใช่สักแต่ว่ากราบเป็นกิริยากราบหนึ่งสองสาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกราบพระที่แท้จริงการกราบพระที่แท้จริงต้องต้องเราเลิกถึงพระพุทธคุณที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีต่อสัตว์โลกเช่นพระพุทธคุณที่แสดงไว้ว่าเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า คำนี้เราต้องเข้าใจความหมายเพราะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากคำว่าพุท ธ, ธหมายถึงเป็นผู้รู้ทำได้ด้วยพระองค์เองพุท ธ, ธอรหันตะเป็นแ ป, แปลว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ตัดสู้ โดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระ อ, องค์ได้ตัดสรู้ขึ้นมาแล้วก็จะมีพระธรรมคำสอนตามมาต่อไปเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาในพระทยของพระ อ, องค์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็มีความสงสารที่เห็นสัตว์โลกทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกน้อยทุกใหญ่ไม่รู้จักจบจากสิ้นพระพุทธองค์จึงสงสละพระเวลาที่มีทรงเหลืออยู่45ปีด้วยกันโปรดสงเคราะห์สัตว์โลกด้วยการแสดงธรรมพุทธกิจของพระพุทธเจ้านี้ที่ทรงปฏิบัติ ประจำวันมีอยู่ห้าข้อด้วยกันทั้งห้าข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับการโปรดสัว์โลกทั้งหมดเช่นในตอนบ่ายทรงแสดงธรรมให้แก่คารวาดญาติโยมเพื่อจะได้มีปัญญาจะได้รู้จักวิธีดับทุกข์รู้วิธีปลดเพรื่องตอนเองให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในยามค่ำก็ทรงแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรในยามดึกก็ทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลายในยามใกล้รุ่งก่อนที่จะทรงออกบินบาทโปรตั์ก็ทรงเล็งยามดูว่าวันนี้มีผู้ใดที่มีจิตพร้อมที่จะบรรลุธรรมถ้าหากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า พระองค์ก็จะสงมุ่งไปหาบุคคลคนนั้นเพื่อโปรดเขาเนื่องจากจิตของเขานี้เป็นเหมือนผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่แล้วเพียงแต่รอให้มีคนมาเด็ดออกจากขั้วเท่านั้นเองถ้าพระพุทธองค์ได้ทรงไปแสดงธรรมแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เขาก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอาริยบุคคล ตามอำนาจหรือตามกำลังของบุญบารมีของเขาที่ได้บำเพ็ญมาขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือกิตของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติทุกๆวันหลังจากที่สว่างแล้วก็ทรงออกบินทบาททรงเห็นว่าการบินทบาทนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญของสมณะนักบวชทั้งหลาย เพราะเป็นการทำคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นตอบตนเองก็คือได้สร้างความเพียรได้ออกไปเดินบิณฑบาตเดินบิณฑบาตด้วยสติเป็นเหมือนการเดินจงกรมไม่พูดไม่คุยไม่ปล่อยให้กายวาจาใจล่องรอยไปอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ที่มีแต่คิดมีแต่ปรุงมีแต่พูดมีแต่ทำในเรื่องที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำจิตให้สงบไม่ได้ทำจิตให้เกิดปัญญาแต่อย่างใดแต่ทรงสอนใ้พระภิกษุนั้นเดินบิณฑบาตเยี่ยมในการเดินจงกรมเป็นการปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์ทางจิตใจจิตใจมีสติ จิตใจมีความสงบแล้วก็ร่างกายก็จะได้รับอาหารของญาติโยมที่ได้ใส่บาตรมาส่วนญาติโยมก็จะได้บุญได้กุศลที่ได้ทำบุญกับสมณะเพศผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงไม่ได้เหมือนกับการให้ข้าวแก่ขอทานขอทานนี้เขาไม่มีสติ เขาไม่เจริญสติในขณะที่เขาขอทานเขาไม่ควบคุมสํารวมกายวาจาใจของเขาให้สงบระงับจากความโง่ความโลภความโกรธความหลงแล้วเขาก็ไม่ได้ทรงศีลทรงธรรมแต่อย่างใดดังนั้นการให้อาหารกับพระภิกษุที่ทรงศีลทรงธรรมจึงเป็นจึงมีอนิสง มากต่อการให้อาหารแก่ขอทานนี่คือการทำหน้าที่ของพระภิกษุของนักบวชที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นทรงสอนทรงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ไม่เคยละเว้นภารกิจอันสำคัญคือการบิณฑบาตนี้เลย ยกเว้นในกรณีที่ทรงอาพาธไม่สามารถที่จะออกบินทบาทได้เท่านั้นพระ พ, พ, พุทธองค์จึงบรรจุเรื่องของการบินทบาทนี้อยู่ในหนึ่งในบุพกิจของพระคือพระอุปชาหลังจากที่บรรพชาอุปสมบทให้แก่พระภิกษุแล้วจะต้องสอน เรื่องของการบินตาบาทเป็นหนึ่งในกิจของของพระภิกษุของนักบวชสรงสอนให้บินตบาตไปจนถึงแก่ชีวิตจะหาไม่อย่าไปหวังให้ญาติโยนนำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายที่วัดแต่อย่างเดียวอย่าหวังแต่รอกิจนิมนต์ที่จะไปรับประทานอาหารตามบ้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้ส่งให้ถือว่าเป็นของแถงไม่ใช่เป็นของไม่ใช่เป็นของหลักของพระหน้าที่หลักของพระต้องถือการบิณทบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดเพราะจะได้ธรรมะคือความมักน้อยสโดษได้ธรรมะคือความอมอน้มถ่อมตนไม่หลงละเริง คิดว่าตอนเองเป็นผู้วิเศษเพราะยังต้องอาศัยการบินทบาทเลี้ยงชีพจากผู้อื่นการปฏิบัตินี้จะทำให้จิตใจนี้ลดละทิฏฐิมานะความถือตอนว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รู้ผู้เก่งได้ถ้าไม่บินทบาทแล้วมีคนเอากับข้าวกับปลามาถวายถึงที่ ก็จะคิดว่าตอนนี้เป็นผู้พิเศษไปเป็นผู้ที่มีคนเขาต้องมาเลี้ยงดูแต่ความจริงนี้ไม่ใช่หน้าที่หรือเรื่องของทางศาสนาแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากศรัทธาญาติโยมที่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อในบุญกุศลจึงได้อุตส่าห์นำกับข้าวกับปลาอาหารขาววาน มาถวายถึงวัดถึงกุฏิแต่เนื่องจากญาติโยมไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนยึงไม่รู้ว่าเป็นการทำโทษให้แก่พระถ้าพระผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะหลงละเิยคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้มีคนคอยเอาอาหารภาวาน มาเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้ตนเองเกิดความเกียจคร้านจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรจะขาดวิริยบารมีซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้บรรลุได้พระภิกษุในสมัยนี้จึงไม่ค่อยปรากฏมีว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกันส่วนใหญ่จะบรรลุทางด้านลาบยศสรรเสริญสุขกันเป็นส่วนใหญ่ได้เป็นเจ้าอาวา่าได้เป็นพระครูได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณได้เป็นสมเด็จได้เป็นสังฆราชกันแต่ไม่ค่อยได้ยินว่าบุคคลเหล่านี้ ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์กันเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปฏิบัติของเขานั้นไม่ได้อยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั่นเองคือทรงสอนให้มีความมักน้อยสันโดษไม่ทรงสอนให้ปล่อยหรือให้ลดให้ละ ความยินดีในราบยศเสริญสุดสอนให้มีความภาคเพียรในการทำหน้าที่ของตนเช่นการบิณทบาทการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมสอนให้ปรีกวเวกหาสถานที่สงบสงัดจากสิ่งที่ยั่วยวนกวนจิตใจต่างๆก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่จะมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นในศูนย์การค้าในศาลที่บันเทิงต่างๆเป็นต้นทุกวันนี้ญาติโยมก็คงจะเห็นผ้าเหลืองปลิวว่อนไปตามสถานที่เหล่านี้เนื่องจากว่าพระเหล่านี้บวชมาแล้วขาดครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนอบรมพระอุปชาบวชแล้วก็ไม่ได้สั่งสอนอบรม ปล่อยให้อยู่ตามบุญตามกรรมไปเหมือนกับพ่อแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูไม่สั่งสอนลูกจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านก็พูดว่าคนคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนนั่นเองก็จะมีแต่การประพฤติการปฏิบัติที่ไม่สวยงามดูแล้วไม่เจริญหูไม่เจริญตา อย่างที่เราทั้งหลายเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าพระภิกษุโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานั้นปล่อยประละเลยหน้าที่อันสำคัญคือการสั่งสอนเรื่องของกิจของพระที่จะต้องทำนั่นเอง นี่ก็เป็นเพราะเราไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติตนมาอย่างไรพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติตนมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเป็นพระรัตนตรยให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันท่านอยู่อย่างมากน้อยสันโดษท่านเบนทบาท ชั้นในบาตรชั้นมือเดียวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันแล้วก็อยู่ตามป่าตามเขาปรีกววิเวกหาสถานที่สงบสงัดไม่คุกครีไม่คุยกันไม่คุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนินทาการเลของคนนั้นของคนนี้แต่จะปรีกเววิววเวกเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่กับร่างกายร่างกายกำทังมลายอยู่ให้ใจทำอยู่กับร่างกายกำลังเดินก็ให้ใจเดินกับร่างกายกำลังนั่งกำลังยืนกำลังบินทบาดกำลังขบกำลังฉันกำลังปัดกวาด ก็ให้ใจอยู่กับการกระทำของร่างกายไม่ใช่กายทำอย่างหนึ่งแล้วใจก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งกายกำลังเดินแต่ใจกำลังคิดว่าจะไปหาเงินมาซื้อของได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แสดงว่ากายขับใจนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าอยากจะคิดเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็นั่งเฉยๆหรือ ย, ยืนแล้วก็คิดให้พอ คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องวางแผนต้องจัดการเรื่องกับเรื่องอะไรก็คิดให้พอพอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทํางานกับร่างกายต่อไปร่างกายมีหน้าที่ต้องทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายร่างกายอาบน้ำก็อาบน้ำร่างกายแปลงฟันก็แปลงฟันอยู่กับร่างกายตลอดเวลา อย่างนี้แสดงว่ามีสติเมื่อมีสติแล้วใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือที่ได้ทอดสมอไวแล้วเรือที่ได้รับการท่ดสมอจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำต้องการที่จะขนถ่ายสินค้าขึ้นลงบนเรือหรือออกจากเรือก็จะสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย ดันใดใจที่นิ่งแล้วก็จะเป็นใจที่พร้อมที่จะรับกับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้ส่งเห็นที่ใจของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายยังไม่รู้ยังไม่เห็นถ้าใจเราลอยเช่นในขณะนี้ถ้าเราฟังเทศไปแต่ใจเราลอยไปคิดเรื่องต่างๆ เราจะไม่เข้าใจเรื่องที่เรากําลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่มีเราจะไม่ได้รับรู้ความถูกต้องต่างๆที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรหรืออะไรไม่ควรถ้าเรามัวแต่นั่งแล้วคิดถึงเรื่องอื่นไป เราก็จะเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงที่ได้สัมผัสกับรสแกงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้เลยว่ารสแกงนั้นเป็นอย่างไรเพราะใจของเรานั้นลอยไปอยู่กับเรื่องอื่นที่เราก็กำลังคิดอยู่นั่นเองเสียงที่เราได้ยินจึงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไม่ได้เข้าไปในใจจึงไม่ได้รับอนิสงค์จากการฟังเทศฟังธรรมคือ จะไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เคยได้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้นไปสามจะขจัดความสงสัยได้ 4. จะทาให้จิตใจสงบผ่องใส 5. จะทาให้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าวิธี การปฏิบัติของศาสนานั้นเป็นอย่างไรเห็นว่าสตินี้มีความจาเป็นอย่างไรต่อการเจริญพัฒนาจิตใจถ้าจิตใจไม่มีสติแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ไร้สติคนที่ไร้สติที่เราเรียกว่าคนเสียสติหรือคนบ้านั้นไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอน ให้เขารู้เรื่องผิดถูกดีชั่วดาก็มีจะต้องจับขังไว้ในในกรงเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปทำทาร้ายทสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นสตินี้จึงเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจทั้งในเพศของคาว่า และเพศของบรรพชิตใครที่ไม่มีสติแล้วจะทำอะไรไม่ถูกต้องจะทำแล้วเกิดความเสียหายถ้าเป็นคร า, าวาสขับรถยนต์แบบไม่มีสติก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุเช่นคนเสพสุรายาเมาแล้วก็จะไม่มีสติประคับประคองการควบคุมร่างกาย ละใจให้ควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปได้อย่างปลอดภัยพระภิกษุถ้าไม่ได้เจริญสลิกก็จะไม่สามารถที่จะทําจิตใจของตนให้รวมลงเป็นสมาธิได้และเมื่อจิตใจไม่สามารถรวมลงเป็นสมาธิได้ก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้ปัญญาที่เจริญก็จะเป็นสัญญาเป็นความจำ ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้ต้องให้มีจิตใจที่สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเวลาจเจริญปัญญาจะสามารถจเจริญได้อย่างต่อเนื่องเพราะปัญญาในทางาศาสนานี้ไม่ใช่เพียงแต่จำได้เหมือนกับปัญญาทางโลกเช่นเราเรียนทางโลกเราเพียงท่องจำ พอเราไปสอบเราก็ตอบปัญหาที่เขาถามพอเราสอบผ่านไปแล้วเราก็ลืมมันไปเราได้ปริญญาเราได้บัตรเราได้เราได้รไดประกาศนียบัตรแล้วแต่ความรู้นั้นมันหายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในความจำของเราเวลาที่เราจะต้องใช้ความรู้นี้เราต้องกลับไปเปิดทั้งสูทบทวนดูใหม่แต่ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ ต้องมีระลึกอยู่ในใจตลอดเวลาถึงจะเป็นปัญญาถึงจะสามารถตัดความทุกข์ภายในใจได้เช่นความระลึกถึงความตายเป็นต้นถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายอย่างอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเราเผลอใจของเราจะถูกความหลงหลอกให้เราอยากไม่ตายอยากจะอยู่ไปนานๆแต่ความจริงนี้เราทุกคนก็รู้ว่า ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งนั้นความตายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ลงซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวแต่อย่างใดแต่เพราะว่าเราไม่ได้มองมันว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเราไม่ยอมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตและมันเป็นเรื่องที่สวนกระแสความรู้สึกของความหลงในใจของเราที่อยากจะอยู่ไปนานๆจึงทาให้เรามีความทุกข์มากเวลาที่เราคิดถึงความกลัวหรืออยู่ใกล้ความกลัวอยู่ใกล้ความตายแต่ถ้าผู้ที่ได้เจริญปัญญาอยู่อย่างทุกลมหายใจเข้าออก รู้ว่ายัางไงยังไงก็ต้องตายจะอยากตายหรือไม่อยากตายเมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นไปไม่มีใครหนีพ้นการขึ้นของพระอาทิตย์หรือการตกของพระอาทิตย์ได้ทุกคนยอมรับได้ทุกคนก็ไม่มีปัญหากับการขึ้นกับการตกของพระอาทิตย์แต่การตายของทุกคนนี้ทุกคนกับรับไม่ได้ เพราะว่าไม่ยอมพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองไม่ยอมพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งยอมรับได้ถ้ายอมรับได้แล้วไม่กลัวตายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาต่อไปเพราะว่าความความตายนี้จะไม่เป็นปัญหาความตายก็จะเป็นเหมือนพระอาทิตตกพระอาทิตขึ้น ที่พวกเราไม่ต้องมาคิดกันให้เสียเวลาเพราะพวกเราทุกคนยอมรับได้ยอมรับเรื่องของการขึ้นกับการตกของพระอาทิตย์ได้แต่พวกเราไม่ยอมรับความตายของคนนั้นของคนนี้หรือของเราได้เราจึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยความทุกข์ที่เกิดจากความตัวตายเพราะมันไม่ได้ไปยับยัง้ง หรือมันไม่ได้ไปหยุดความตายได้แต่อย่างใดนี่ก็เป็นเพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนนั่นเองจึงกลับไปเห็นกับตาละปัดกลับไปเห็นว่าเรื่องของการคิดถึงความตายนี้เป็นเรื่องของอัปมงคลทุกคนนี้ถูกสอนมาตั้งแต่เล็กว่าไม่ให้คิดถึงเรื่องความตายเพราะคิดแล้ว จะเหมือนกับสาบแช่งตัวเองให้ตายแต่ความจริงความคิดของเรานี้มันไม่มีมันไม่วิเศษถึงขนาดนั้นหรอกถ้ามันวิเศษจริงป่านนี้พวกเรารวยกันไปทุกคนแล้วเป็นใหญ่เป็นโตกันได้ทุกคนแล้วเพราะพวกเราทุกคนก็อยากจะรวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นแต่ทำไมมันไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนกับความคิดที่เราคิดกันเพราะความคิดมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเอง ความคิดถึงความตายก็ไม่ได้ทำให้เราตายหรอกเราจะตายช้าตายเร็วมันอยู่ขึ้นอยู่ที่บุญที่กรรมของเราอยู่ที่กลางประพฤติของเราถ้าเราอยู่อย่างประมาตกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดไม่เราก็จะตายเร็วตายเร็วกับคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดมันอยู่ที่พฤตกรรมของเราเรื่องของความตายดังนั้น อย่าไปกลัวเรื่องการคิดของความตายว่าจะเป็นการสราบแช่งให้เราตายเร็วขึ้นแต่การคิดถึงเรื่องความตายนี้แลเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมจะทำให้เราบรรลุเป็นพระอริยะหุคคลได้พระโสดาบันนี้ท่านท่านเปล่งวาจาไว้เลยว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ท่านยอมรับความจริงมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาใจของท่านก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับการตายท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ยอมทํากันเรากลัวกันเพียงแต่คิดถึงความตายก็ใจสั่นกันแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายเลยความตายดีบันเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นเอง แต่ความกลัวตายนี้มันตลอดทั้งชีวิตเราจะเอาอะไรเราอย่าไปกลัวตายเลยเพราะเวลาตายมันก็เหมือนนอ น, น, อนหลับไปเท่านั้นเองเราไม่หายใจปับ๊บมันก็ตายแล้วถ้าเราไม่กลัวตายเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเรากลัวตายเราก็ต้องทุกไปทั้งชีวิตทุกกับความกลัวตายนี้ไปตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองเราจึงไม่ได้รับประโยชน์ที่เราควรจะได้รับกันทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเยินอะไรเลยแต่พวกเรากลับไปปฏิเสธความสามารถของเรากันเองว่าเราไม่มีความสามารถพอความสามารถของพวกเรามักจะอยู่กับการแสวงหาความสุขา่างหู ทางตาหูจะโบกดิ้นกายสแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขกันมากกว่าทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เรากับเก่งที่จะหากันชีวิตของพวกเราจึงต้องทุกข์ทรมานกันอยู่กับเรื่องของลาบยศสารเสริญสุขนี่เองเวลาได้ก็ดีอกดีใจเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปก็มี เพราะว่าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ได้สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติกันอย่างจริงจังเราเข้าวัดก็เป็นเหมือนกับเป็นการมาใช้นี่ทำให้ใจเราสบายขึ้นเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วการเข้าวัด น, นี้เข้ามาเพื่อที่มาศึกษาและมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มาอย่างนี้แล้วเขาจะพบกับความสุข ความสงบของจิตใจเพิ่มขึ้นไปตามลำดับและจะทําให้เขาขยับเข้าใกล้สู่มรรคผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆเข้าใกล้สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนี่แหละคือเรื่องความเป็นสิริมงคลของชีวิตของพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนให้พวกเราทำบุญให้ทานรักษาสีงปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมและเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าจะสูงขึ้นดีขึ้นและจะมีความสงบสุขมากขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอน